มีใครอยากจะถามอะไรัหมไม่มีคำถามไม่อยากจะฟังก็ต้องก็ต้องพูดอัอนนี้จะพูดเรื่องหมายเลขสามอย่าว่าให้หวยนะนมหมายเลขสามนี่มีความหมายสำหรับทางพระพุทธศาสนามาก เริ่มต้นที่สามนี้ภาษาบาลีเรียกว่าไตรไตรแปลว่าสามแต่มั่จะได้ยินคำว่าไตรนี่อยู่ในพุทธศาสนาไตรแรกที่สำคัญที่สุด ก, ก็คือพระรัตนไตรต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าออมาตัดสรุพอพระทัตัดสรุแล้วก็จะแสดงธรรมประกศาศพระธรรมคำสอนก็จะมี พระพุทธรัตนาะพระธรรมรัตนาะแล้วพอแสดงธรรมมีผู้ฟังธรรมบรรลุธรรมก็เป็นพระสังฆรัตตนาะอันนี้รัตนาะอันไ ต, ตแรกที่สําคัญสําหรับพระพุทธศาสนาองค์ประกอบสามอันเป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาองค์ประกอบที่แท้จริงอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ศาลาสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญสมัยที่ทรงประกาศพระพุทธศาสนาในยุคแรกไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์กุฏิก็ไม่มีอยู่กันตามโคนไม้อยู่กันตามถ้ำตามเนื้อผา ตามเรือนร้างงัานพวกเราต้องเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนสมัยนี้เราไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันแล้วเราคิดว่าเรากำลังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันไม่ใช่เราต้องมาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้างใจสาระคม พระรัตนตรัยขึ้นมาที่ใจของเราอันนี้ก็3พระรัตนไตรัตรยแปลว่าสามถ้ามีพระรัตนไตรัยก็จะนําเราไปสู่ตรัสิกขาพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกก็ทําทำคําสอนจะสอนให้เราปฏิบัติตรัยสิกขาตรัยสิกขาก็คือการปฏิบัติสข้อสาขั้น ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญา น, นี่คือไกลเหมือนกันไกลสิกขาพระพุทธเจ้าจะสอนแค่เนี้ยสอนให้เรารักษาศีลให้เรานั่งสมาธิให้เจริญปัญญาหรือถ้าเป็นคาราวะาก็สอนให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลแล้วก็ภาวนา ภาวนาก็คือการนั่งสมาธิกับการเจริญปัญญาถ้าสอนพระก็สอนศีลสมาธิปัญญาทำไมถึงไม่เหมือนกันเพราะพระไม่มีเงินทองแล้วพระทำทานเรียบร้อยแล้วผ่านขั้นทานไปแล้วผู้ที่ออกบวชนี้มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ทำทานไปหมดยังไม่สอนพระเรื่องการทำทาน สอนพระเรื่องของการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้นั่งสมาธิให้ใจสงบแล้วก็ให้เจริญปัญญาเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรก็เห็นไตสิกขาไตไตรักเอกเห็นอีกสามถ้ามีไตสิกขาแล้วก็จะนำไปสู่ไตรักไตรักคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตา การเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นราพยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายเป็นอนิจจังทั้งนั้นคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็จเจริญเติบโตอโตเต็มที่แล้วก็แก่ แกแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายนี่ก็ตายลักมีสามลักษณะพออะไรมันไม่เที่ยงมันก็เลยทําให้เราทุกข์กันเพราะว่าเราอยากเราอยากให้มันเที่ยงพอไม่เที่ยงเราก็ทุกข์กันมีใครอยากไม่เที่ยงบ้างมีอะไรก็อยากจะให้มีไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรที่จะ มีไปเรื่อยๆมีแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันหมดมีวันพลาดพาจากกันก็เลยทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรานั่นเองเป็นอนัตตาเรว่าอนัตตานี้มันไม่ได้เป็นของเราเป็นของที่เรายืมมาร่างกายนี้เรายืมมาจากพ่อแม่นะ เดี๋ยวพอถึงเวลาก็ต้องคืนไปพ่อแม่ก็ยืมมาจากดินน้ำลมไฟเราก็ต้องคืนร่างกายนี้กลับสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือการเห็นใตรักการปฏิบัติใจสิกขาจะทำให้เราเห็นใตรักเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเรา เมื่อมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเรามันก็จะทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากความอยากก็มีอีกสามกามวตันหะภาวะตัหาวิภาวะตันหาความอยากนี่แหละสามตัวนี้กามวตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น อันนี้ก็สามเหมือนกันความอยากสามชนิดถ้ามีายัยระก็จะละจะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หยุดกามาตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตัหาได้ถ้าหยุดได้ก็จะดับความทุกข์ได้จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดในไตรภพได้อ น, นี่ก็อีกสาม ไายพบก็คือการมาพบรูปรพบอรูปรพบเนี่ยนี่คือเรื่องของสามที่มันเกี่ยวดองกันไปจนถึงออการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราที่เข้าหารพระพุทธศาสนากันนี้ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระพระุทธภธษรมคำสอนเราก็จะทำทานจะรักษาศีลจะภาวนา ถ้าเราบวชเราก็จะรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญาพอเราจเจริญปัญญาเราก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะหยุดความอยากอยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ก็เป็นความอยากก็เป็นสามชนิดกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นนัภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเมื่อละความอยากทั้งสามนี้ได้ก็จะหลุดพ้นจากวัตตะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในไตรพตพไตรพพก็มีสาม กา ม, มาพบก็คือพบของผู้ที่เสกกลามพวกเรานี่อยู่ในไตรอยู่ในการ ม, มาพบกันพวกเรายังเสกกลามกันอยู่มนุษย์ก็เสกกลามเลระชานก็เสกกลางเทวดาก็เสกกลางเปรตก็เสกกลางเพราะยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธ์อยู่ ถ้าปฏิบัติขั้นต้นได้กําจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ไม่ต้องมาเกิดในกามะภพแต่ยังไปติดอยู่ในรู ป, ประภพกับอรูประภพอรูประภพกับรูประภพก็คือภพของผู้ที่ได้รูปประชานกับอรูปประชานผู้ที่ออกบวชถือศีล8ปศีลส0ศีลสอีแล้วก็ ทำสมาธิฝึกสมาธิเวลาจิตสงบจิตก็จะเป็นรูปประชานเป็นอรูปประชานถ้าได้ขั้นรูปประชานถ้าตายไปก็จะไปเกิดในรูปภปพไม่ไาเกิดในการมะภพเพราะผู้ที่นั่งสมาธิได้ได้รูปประชานจะไม่เสกกลางเพราะความสุขที่ได้จากรูปประชานกับอรูปประจานนี้ มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐาภะนะผู้ที่ออกบวชนผู้ที่ถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวพวกมือสีชีพายทั้งหลายที่นั่งสมาธิกันได้ทำใจให้สงบเป็นรูปปรจจันได้ก็จะไม่ต้องมาเกิดในกามะพุเพราะเขาไม่ได้เสกกามนะพวกที่ถือศีลแปดนี่เสกกามไม่ได้ จะดูหนังฟังเพลงไม่ได้ะถึงสีบแปดจะ ก, กินข้าวเย็นไม่ได้ไม่ให้กินเพื่อความอยากกินเพื่อความอยู่รอดกินเพราะความจำเป็นต้องกินไม่เสกการไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนไม่ะสรุปก็คือไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายทางรูปเสียงกลิ่นรส ให้มาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเรียกว่าเข้าฌานถ้าได้ขั้นต้นก็เรียกว่ารูปฌปานมีอยู่4มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันถ้าถ้าผ่านรูปฌปานได้ก็จะไปสู่อรูปฌปานเป็นความสงบที่ละเอียดกว่ารูปฌปานความสงบของฌานแต่ละขั้นนี้มันเป็นเหมือนเกียร์รถยนต์ เกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สความเร็วมันไม่เท่ากันเกียร์หนึ่งก็วิ่งได้ไม่เกิน40ถ้าอยากจะวิ่งเร็วกว่านั้นก็ต้องเข้าเกียร์สองถ้าเข้าเกียร์2ก็ไปถึง60สิบถ้าจะไปเกียร์สาถ้าไปเร็วกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนเกียร์สเปลี่ยนไปเรื่อยๆรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยๆความสงบของชานก็เหมือนกัน ขั้นต้นก็ได้รูปฌปานขั้นที่หนึ่งยังมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขขั้นที่สองวิตกวิจารก็หายไปเหลือแต่ปิติกสุขขั้นที่สามปิติก็หายไปเหลือแต่สุขขั้นที่สีสุขก็หายไปเหลือแต่อุเบกขานี้ก็เป็นรูปฌปานความละเอียดของจิตของความสงบของจิต ความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับพอออกจากรูปฌานก็เข้าสู่รูปฌานก็ยิ่งสงบมากขึ้นไปใหญ่สงบไปจกนกระทั่งถึงขั้นนิโรธ น, นิโรธสมาบัติผู้ที่ได้ผู้ได้ฌานแล้วพวกนี้ก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กันไปเกิดเป็นพรหม มีสองระดับรูปประภมกับอรูประภมรูปประภมก็คือรูปประภมอรูปประภมก็อยู่ในอรูปประภพนี่คือตายภพที่สัตว์โลกทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ผู้ที่ได้รูปฌานหรืออรูปฌานหลังจากที่ไปเกิดในในรูปประภมหรืออรูประภมแล้วพอกำลังของฌานหมดลง ดิเลตันหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะลากให้จิตลงมาสู่กามะพุลากมาให้เสพ ร, รูปทิพเสียงทิพก่อนให้เป็นเทวดาก่อนพอบุญที่ส่งให้ไปเสพ ร, รูปทิพเสียงทิพเป็นเทวดามเสื่อมลงหมดลงไปก็มาเกิดเป็นมนุษย์นมาเกิดมนุษย์มา ทำบุญทำบาปมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสมามีสามีมีภรรยามาเที่ยวมาดูม า, มาฟังมหรอศพ บ, บันเทิงอะไรต่างๆแล้วถ้าไปทำบาปเพื่อที่จะมาหาเงินหาทองมาเสพกามพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานแทนไปเกิดเป็นเปรตแทนไปเสพกามแต่เสพกามในรูปแบบของ ของสัตว์เดินลาชานของเปรตหรือไปตกนรกนีถ้าทําบาปอันนี้ก็เป็นเรื่องของปลายพบที่สัตว์โลกอย่างพวกเราตอนนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ถ้าเราไม่ได้ละตัณหาทั้งสามเราก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้ารับละตัณหาข้อแรกได้ก็ ก็ไม่กลับมาเกิดในการมาพบอย่าไปเกิดในรูปะพบกับรูปะพบทาละภาวะตันหาได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในรูปะพบไปเกิดในอรูปะพบทาละวิภาวะตันหาได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในตายพบไปอยู่ที่นิพพานแทนไปอยู่ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป การที่จะละละตัณหาทั้งสามได้ก็ต้องมีใตสิกตจใลักต้องเห็นตจลักเนี่ยที่บอกให้เห็นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยให้เห็นหเห็นหสามตัวนี้ให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมันมันมันจะทําให้เราทุกข์เช่นมีแฟนนี่จะทําให้เราทุกข์เดีียวแฟนจากเราไปเราก็จะทุกข์ มีเงินทองเดี๋ยเงินทองหมดก็จะทําให้เราทุกข์มีตําแหน่งมียศเดี๋ยวถูกปลดก็จะทําให้เราทุกข์มีรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวพอมันหมดก็จะทําให้เราทุกข์ดูละครไปดีๆไฟดับขึ้นมาไฟฟ้าดับขึ้นมาไม่สนุกใช่ไหมกำมันกำลังมันกําลังเพลินพอดีไฟดับปุ๊บอดูไม่ได้ใช่ไหมก็ ไม่เที่ยงหอเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงพูดง่ายความสุขในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปดื่มกาแฟปับ๊บเดี๋ยวก็หมดไปกินกาแฟปั๊บเม่เวลาเวลากินโอ้ยมีความสุขเวลาดืมกาแฟมีความสุขเดืย m ไปสักพักเดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดเดี๋ยวก็อยากจะดื่ใหม่ก็ต้องหามาดื่ม ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกถ้าเกิดร้านกาแฟปิดไม่ไกาแฟหมดอยากจะดื่มกาแฟไม่ได้ดื่มกาแฟก็ทุกข์อีกนี่คือความทุกข์ที่ที่ที่มีอยู่ในความสุขในในสิ่งต่างๆที่เราหากันเราหากันด้วยความอยากอยากดื่มกาแฟอยากดูหนังอยากฟังเพลงนี่เรียกว่าการมารัญหาอยากได้รู้เสียงกลิ่นลมน อยากมีแฟนอยากร่วมหลับนอนกับแฟนอันนี้ก็กามมตัญหาเพราะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายมาสัมผัสกับแกกับมาดูรูปร่างหน้าตาของแฟนมาฟังเสียงของแฟนมาลิ้มรสนมกลิ่นของแฟนมาแตะต้องตัวแฟนแตะแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดแฟนไม่สบายตายไปก็ทุกข์ หรือแฟนทิ้งเราไปไปมีใหม่ก็ทุกข์อีกไม่เที่ยงให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงความสุขที่เราหากันในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นตายรักมันไม่เที่ยงมันเลยทำให้เราทุกข์มันไม่ได้เป็นของเรามันจึงทำให้เราทุกข์เพราะเรามักจะไปคิดว่าเป็นของเรากันพอเรามีอะไรเราก็บอกเป็นของเราลเป็นแฟนของฉันล้วตบตีกันฆ่ากันบางทีก็เพราะว่าเป็นของฉัน แต่แฟนก็ไม่ได้เป็นของเราเขาเขาไปแอบมีไปเป็นของคนอื่นต่อหน้าเราก็เป็นของเราแต่รับหลังก็ไปเป็นของคนอื่นพอเราไปรู้เข้าก็เสียใจทุบตีกันตบตีกันอีกทุกข์อีกเนีพยายามมองให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันจะทําให้เราหายอยากจะไม่อยากได้ พอรู้ว่าได้มาแล้วจะต้องทุกข์เราถ้าเราต้องได้อะไรมาแล้วเราทุกข์เราจะเอาไหยเราคิดว่าสิ่งที่เราได้มาจะทำให้เราสุขกันใช่ไหมแต่พอไปมองว่าถ้าเกิดมันหายไปมันหมดไปมันจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขามันจะกลายเป็นอะไรไหมกลายเป็นความทุกข์ไปบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเวลาเสียของที่รักไป เสียเสียใจสุดๆทุกข์สุดๆก็เลยข่าตัวตายไปเนี่ยมองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เรากำลังอยากได้กันนี้มันเป็นทุกข์นะทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราววันดีคืนดีก็กลายเป็นของคนอื่นไปได้เวลาเสียไปเนี่ยมันทำให้ใจเรา ทรมานทำให้เราเศร้าโศกจนบางทีไม่มีกระจิกกระใยที่อยากจะอยู่ต่อไปอยากจะฆ่าตัวตายคิดดูกันแล้วกันว่าทุกข์ขนาดไหนพยายามเตือนใจอยู่เรื่อยว่าอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากได้อะไรแล้วใจจะได้ไม่ต้องทุกข์ถ้าเห็นเป็นเห็นใจรักถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญา ก็จะมีกําลังที่จะหยุดความอยากทั้งสามได้หยุดการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้พอหยุดได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดในการมาพบรูปพบอรูปพบไปอยู่ที่พระนิพพานแทนอันนี้ตอนนี้พวกเรามีปัญญาเนี่ยได้ยินได้ฟังไป ไปรักลได้อยู่ใ น, นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ปัญญาของเราตอนนี้มันไม่มีกำลังที่จะหยุดหยุดความอยากพูดไปกัน่ น, นั้นเดี๋ยวกลับไปก็ไปดื่มกาแฟต่อเดี๋ยวก็ไปทำอะไรต่อยังไปอยากต่อเพราะเราไม่เคยหยุดใจเราเราไม่มีสมาธิกัน อ้ามีสมาธิแล้วถ้าเราเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์เราก็จะหยุดได้แต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์แต่เราก็ยังหยุดไม่ได้ถึงแม้เจอของจริงว่าทุกข์ก็ยังยังหยุดไม่ได้ยังหยุดทุกข์ไม่ได้เวลาสูญเสียอะไรไปเนี่ยรู้ว่าเป็นทุกข์แล้วรู้ว่าทุกข์เพราะเกิดจากความอยาก ก็ยังหยุดความอยากไม่ได้อยากให้เขากลับมาเสียอะไรไปก็ยังอยากจะให้กลับคืนมาพอไม่ได้คืนมาก็ทุกข์แต่ถ้ามีปัญญามีสมาธิพอรู้ว่าเสียก็เสียไปไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วไปอยากให้มันกลับมาทาไมกลับมาอยากก็มันก็ไม่กลับมาอยากก็ทุกข์ไปเปล่าๆ ถ้ามีสมาธิก็หยุดอยากได้ไม่ทุกนี่กว่าไม่เอาดีกว่าแค่นั้นเองหาใหม่ก็ได้ถ้าอยากจะได้ก็หาใหม่ก็ได้เดี๋ยวก็มีเยอะแยะไปของในโลกนี้ไม่ใช่มีคนเดียวคนไม่มีคนเดียวในโลกนี้นี่เป็นล้านเสียไปคนหนึ่งหาคนใหม่มาแทนถ้าอยากอยากจะหาอยู่ก็ยังหาได้แต่หาก็เหมือนกันอีกได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์อีกเดี๋ยวก็ไปอีก ถ้าไม่ไปอยู่ด้วยกันก็อาจจะทะเลาะกันก็ได้อาจจะเกียดขี้หน้ากันก็ได้แทนที่จะเป็นคู่บุญก็กลายเป็นคู่กรรมกันเป็นคู่กัดกันก็นกได้อยู่กันไปกัดกันไปก็เป็นทุกข์อีกนพยายามมองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นี่เป็นทุกข์ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามัน มันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนได้เวลาได้มาใหม่ๆมันสุกมันดีไปหมดเนี่ยพออยู่ไปนานๆเข้ามันก็เบื่อได้พอเบื่อความสุขที่ได้มันก็กลายเป็นความทุกข์ไม่เชื่อลองกินอาหารที่เราชอบสักสิบวันดูเลยกินมันทั้งสามมื้อวันละสามื้อกินอาหารที่เราโปรดปราเนี่ยกินมันไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะเบื่อไหมเดี๋ยวสักพักมันก็จะกินไม่ลงเ มันจะเบื่อของดีขนาดไหนถ้าจําเจเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อก็เริ่มไม่ชอบก็สิอยากจะให้อยากจะเปลี่ยนนั่นสิที่คนที่เข้าไปมีแฟนใหม่ก็ก็ ข, า, ข, า, ขาเบื่อแฟนเก่าพอไปเบื่อพอไปเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนเปลี่ยนแฟนเขาแฟนก็เลยโกรธแฟนก็ทุกข์แฟนก็เสียใจ นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันน่าเบื่อแต่เราไม่รู้เราจะรู้ต่อเมื่อเราต้องอยู่กับมันบ่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่กันไปนานๆเดี๋ยวก็เบื่อกันเองดัง <c oughs> น้ความสุขที่ไดจากสิ่งต่างๆก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปพอมันไม่ให้ความสุขกับเราแนละ้วไม่เหมือนตอนได้มาใหม่ๆโอ้โเห็นทีไรก็สุข พอเห็นบ่อยๆเข้าจนจำเจต่อไปเห็นทีไรก็เบื่อเห็นแล้วก็ไม่อยากจะเห็นของอันเดียวกันนี่แหละสิ่งเดียวกันคนคนเดียวกันนี่จากรักสุดๆก็กลายเป็นเบื่อสุดๆได้นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นอนิจจาไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้ไม่เหมือนเดิมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป พอเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากถ้าเบื่อสิ่งนี้ก็อยากไปได้สิ่งอื่นแทนพอไปได้สิ่งอื่นแล้วได้สิ่งอื่นมาเดี๋ยวก็เบื่ออีกก็ไปหาใหม่อีกแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็หยุดหาหยุด หยุดอยากกันอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรพวกที่มีสมาธินี้เขาไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขกับเขาเขามีความสุขในตัวเขาเองมีความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบทําใจให้เป็นสมาธิกันทําใจให้ได้รูปประชานได้อารูปประชานกันเขาก็ไม่ต้องไปมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีลูกเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้มาให้ความสุข ไม่ต้องให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขเพราะมีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในใจแนละ้วความสุขที่เราได้จากสมาธิจากรูปฌานอารูปฌานนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านสู้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้ พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระราษฎ ร, ร, ร์พอมาบวชพอนั่งสมาธิได้ความสุขจากความสงบเนี่ก็ไม่เคยคิดจะกลับไปเป็นพระราชโอรสอีกต่อไปเหมนคนที่ได้รถใหม่ที่ดีกว่ารถเก่าจะกลับจะกลับไปขับรถเก่าหรอเปล่าไม่มีแนละ้วรถเก่าก็ยกให้คนอื่นไปเลยขับรถใหม่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากสมาธิจากฌานนี่ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพวกเราตอนนี้ไม่มีตัวนี้กันเลถึงแม่รู้ว่าการไปหาสิ่งต่างๆนี้เป็นการไปหาความทุกข์ก็ยังอดไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะอย่างน้อยมันก็ยังได้ความสุขใน ต, ตอนต้นได้ความสุขตอนที่ได้สิ่งที่เราอยากได้มา เราจะมาทุกข์ทีหลังค่อยว่ากันใหม่แต่ตอนต้นนี้ขอให้สุขก่อนขอให้มีแฟนก่อนอยู่กับแฟนไปก่อนเดี๋ยวแฟนไปมีอีหนูที่ไหนแล้วค่อยมาทุกข์กันทีหลังตอนนั้นอาจจะอาจจะทุกข์มากกว่าตอนที่ไม่มีแฟนตอนตอนที่ไม่มีแฟนก็ทุกข์เพราะเหงาอยากจะมีแฟนแต่ว่อเรามีแฟนแล้วแฟนไปมี การใหม่นะี่โอ้มันยิ่งทุกข์มากกว่าตอนที่ไม่มีแฟนที่ยังยอมทนทุกข์กับการที่ไม่มีแฟนดีกว่าแต่ถ้ามีสมาธิก็จะไม่ทุกข์เวลาอยากจะมีแฟนนั้นมันทุกข์แล้วก็ไปนั่งสมาธิกัน mm hmm. ไปพุโทโธพุโทโธกันทําใจให้สงบพอใจสงบความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีแฟนก็หายไปความเหงาความว้าเองก็หายไป วลาใจสงบแล้วมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าวเวจะไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความสงบนี่เป็นความสุขที่วิเศษที่พวกเรายังไม่มีกันจึงทำให้พวกเราต้องไปหาความยะสิ่งต่างๆตามความอยากกันแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วแล้วเรามีพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่า อย่กไปทำตามความอยากเลยทำแล้วมันไม่มีวันจบอยากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอก็ต้องอยากไปเรื่อยๆในเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจหรือถ้าได้มาแล้วเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็จะเสียใจเหมือนกันการทำตามความอยากนี่มันจะนำไปสู่ความเสียใจนำไปสู่ความทุกข์ใจนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในตายพบ แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้เราก็ทําไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะเวลามันอยากแล้วมันหิวโหยเวลาอยากกาแฟอยากบุหรี่อยากเหล้าเนี่ยมันหิวโหยมันทรมานใจแต่ถ้าเรามีสมาธิเราสามารถดับมันได้เวลาอยากกาแฟอยากบุหรี่อยากเหล้าเราก็มานั่งสมาธิกันทําใจให้สงบกันพอใจสงบ ความอยากก็จะหายไปหยุดไปถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองความอยากมันจะหมดไปกำลังมันจะอ่อนกำลังไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราไม่ทำตามความอยากที่คนที่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ก็เพราะว่าทุกครั้งที่เขาอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มเหล้าเขาก็ไม่ดื่มเขาก็ไม่สูบ พอครั้งต่อไปอยากอีกก็ไม่สูบอีกไม่ดื่มอีกพอครั้งต่อไปอยากอีกก็ไม่สูบอีกไม่ดื่มอีกเดีวต่อไปความอยากมันก็หายไปเลิกได้เลิกดื่มได้เลิกสูบบุหรี่ได้นี่คือวิธีที่เราจ ะ, ะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากด้วยการใช้สมาธิในยการใช้ปัญญาสอนใจว่าทำไมเราต้องไม่ทำตามความอยาก เพราะการทำตามความอยากไม่ได้นำไปสู่ความสุขนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความเสียใจนำไปสู่ความทรมานใจดังนั้นถ้าเรามีกำลังนั่งสมาธิเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ไม่ไปทาตามความอยากอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปมาอยู่วัดแทนมานั่งสมาธิพุทโธพุทโธกัน ล้วต่อไปความอยากเที่ยวก็จะหมดไปอยากอะไรถ้าเราฝืนมันไม่ไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หมดกำลังล้วมันจะทำให้เราสบายอยู่เฉยๆโดยไม่มีอะไรมารบกวนใจตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจสร้างความไม่สบายใจให้กับเราก็คือความอยากต่างๆนี่แหละอยากพออยากอะไรขึ้นมาใจก็ไม่สบายนะ อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็เริ่มไม่สบายแล้วแล้วพอเขาไม่เป็นตามความอยากก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่แต่ถ้าเขาเป็นไปตามที่เราอยากก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็อยากม่อีกความอยากไม่มีวันหมดถ้าเราทามันไปเรื่อยๆถ้าถ้าเราทาตามความอยากก็เท่ากับเราต่ออายุให้กับความอยากเช่นอยากจะสูบบุหรี่มวนนี้ถ้าเราสูบ เดี๋ยวก็จะมีความอยากจะสูบบุหรี่มวลใหม่โผล่กันมาถ้าเราสูบอีกมันก็จะมีความอยากใหม่ตามมาอีกถ้าอยากจะดื่มกาแฟแก้วนี้ถ้าหยืดแล้วเดี๋ยวก็จะอยากจะดื่มอีกแก้วหนึ่งมันจะมีความอยากมามามาต่อกันอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะตัดความอยากก็ก็คือเวลาอยากดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มมันเดี๋ยวครั้งต่อไปความอยากกาแฟก็จะเบาลง พอเราไม่ดื่มอีกเดี๋ยวมันก็หายไปนี่คือธรรมชาติของความอยากมันจะเป็นหรือมันจะตาอยู่ที่ว่าเราทำตามมันหรือไม่ทาตามมันถ้าเราทำตามมันมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ทำตามมันเดี๋ยวมันก็หายไปคนที่เคยอยากบุหรี่อยากเล่าพอเ้าเลิกเลิกทําตามความอยากต่อไปเขาก็ไม่อยากบุหรี่ไม่อยากเล่า นี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเราจะไม่รู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองาการที่เราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของสิ่งที่เราได้มาว่าสิ่งที่เราได้มามันก็เป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหายไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่าปัญญา แล้วการที่เราจะทําตามปัญญาได้เราก็ต้องมีสมาธิเวลาอยากได้อะไรก็ไปนั่งสมาธิแทนพอนั่งสมาธิใจสงบใจก็หายอยากทุกครั้งที่อยากก็ไปนั่งสมาธิหรือไม่ต้องนั่งก็ได้ถ้ามีกําลังฝืนมันได้ก็ไม่ต้องไปทํามันทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปทําเป็นลืมไปอยากจะดื่มกาแฟก็ทําเป็นลืมไปพุโทโธพุโทโธไป ทำเรื่องอื่นไปเดี๋ยวก็ลืมมันพอลืมมันก็มันก็ไม่ได้ความอยากก็หายไปนั่งสมาธิก็ได้หรือไม่นั่งก็ได้ทำยังไงก็ได้ขอให้เราอย่าไปทำตามความอยากก็แล้วกันเวลามันอยากแล้วเราอย่าไปทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากนั้นก็จะหมดกำลังไปพอความอยากหมดเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอกต่อไปไม่ต้องเกิดมากามาพบรูปรพบอารูปรพบ ถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาเดินนลนกันมาหาความสุขกันหาได้เท่าไหร่ก็หายไปหมดหเดี๋ยวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยทุกอย่างที่เราหามาได้ที่ให้ความสุขกับเราพอเวลาตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เอาแต่ความทุกข์ไปเอาแต่ความเศร้าโศกเสียใจไป ตายไปก็ยังต้องไปเกิดใหม่ไปเวียนว่ายตายเกิดไปใช้บุญใช้กรรมอีกแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ตราบใดถ้าเรายังไม่กําจัดความอยากทั้งสามนี่ให้หมดไปจากใจจะกําจัดได้ก็ต้องมีตายตายลักต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีตายลักได้ก็ต้องมีตายสิกขา ต้องต้องมีการปฏิบัติไตรสิกขามีการรักษาศีลมีการนั่งสมาธิมีการฟังเทศน์การรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากมันไม่เที่ยงมันควมไม่เที่ยงมันก็จะไม่ให้ความสุขเราไปตลอดเพราะความสุขหายไปความทุกข์ก็จะโผล่มา ของทุกอย่างที่เราคิดว่าได้มาแล้วจะเป็นของเราก็ไม่ได้เป็นของเราวันดีคืนดีเขาก็จะจากเราไปเขาก็จากไปเราก็ทุกข์กันอีกอ น, นี่คือปัญญาแล้วก็ต้องมาหันนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วจะสู้ความอยากได้เวลาอยากใจจะไม่ทรมานถ้ามีสมาธิถ้าไม่มีสมาธินี่เวลาอยากแล้วใจจะดิ้นจะทรมาน ยันต้องฝึกสมาธิให้ทำใจให้นิ่งให้ได้และเวลาเกิดความอยากเราจะไม่ทรมานใจเราจะฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบรูปพบอารูปพบการจะมีตาสิกขาได้ก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้จักคำว่าตาสิกขาเป็นอย่างไร เราจะไม่รู้ว่าเราทำไมต้องมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันทำไมเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้ท่านได้ปฏิบัติตายศีขามาแล้วท่านได้กรรจัดท่านท่านได้กรรจัดความอยากทั้งสามแล้วท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามแล้วในตายภพแล้วท่านก็เลยเอาความรู้นี้มาสอนพวกเรา ถ้าพวกเรามาเกิดแล้วไม่ได้เจอไม่ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่มีวันรู้เรื่องตายสิกขาไม่รู้เรื่องตายรับไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเราก็จะไปหาราบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอย่างที่พวกเรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องมาทุกกับสิ่งที่เราหามาได้เพราะได้มาแล้วก็กังวล ว่าไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่จะจากเราไปเมื่อไหร่เวลาจากไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วก็ต้องไปดิ้นนนไปทุกกับการหามาใหม่พอเงินหมดก็ต้องไปหาใหม่พอแฟนหมดก็ต้องหาใหม่พออะไรหมดก็ต้องหาใหม่เวลาหาก็เหนื่อยกว่าจะได้แต่ละครั้งก็เหน็ดเหนื่อยได้มาแล้วก็มาทุกกับการดูแลรักษาอีก แล้วก็มาทุกเวลาต้องจากกันอีกเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้เรื่องความทุกข์ของพวกเราเราจะไม่รู้ว่าเราเกิดมาทาไมกันเราก็คิดว่าเกิดมาเพื่อหาความสุขกัน mm. เกิดมาเพื่อหาเงินทองหาหนูน่นหานี่กันพอเห็นว่าได้มาแล้วมีความสุขกันแต่ไม่เห็นความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่กับความสุขนั้นความสุข ได้มาแล้วก็ต้องวิกตกมีกังวลมีหวงมีห่วงแล้วก็มีความเสียดายเสียใจเวลาเสียมันไปอันนี้เรามองไม่เห็นกันถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาบอกพวกเราเราคิดว่าเรากำลังหาความสุขกันแต่ความจริงแล้วกำลังหาความทุกข์กันเรามีความทุกข์เราเราอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเสียอะไรไปก็ทุกข์ลว เสียเงินก็ทุกข์ละเสียคนนั้นเสียคนนี้ไปก็ทุกข์ละเดี๋ยวเสียร่างกายเราไปก็ทุกข์ละมีแต่ความทุกข์รอเราอยู่แต่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีใจศิกขาเราไม่ได้ศึกษาปัญญาเราไม่ได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากกัน เราะาไม่ปฏิบัติสมาธิกันไม่รักษาศีลกันเราก็เลยหยุดความอยากหยุดความทุกข์ต่างๆไม่ได้เราก็เลยหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะรู้แต่เพียงแต่ว่าเกิดมาแล้วต้องหาหาความสุขกันหาเงินหาทอง หาสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความสุขกันแล้วก็มาทุกมาร้องหมร้องไห้กันแล้วก็ตายแล้วก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้กันไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่โดยที่ไม่รู้ว่ากลับมาเกิดใหม่จำไม่ได้ว่าชาติก่อนเคยเคยเค ย, เคยมาเกิดแล้วชาตินี้มาเกิดก็จำไม่ได้นะคิดว่าเป็นครั้งแรกที่มาเกิดในโลกนี้กันแต่ความจริงเกิดมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้ว ถ้าเอาน้ำตาที่เราหลัง่งในแต่ละชาติมารวบรวมกันนี่พระพุทธเจ้าบอกน้ำตาที่เราหลั่งนี่มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสอีกคิดดูก็แล้วกันต้องมาเกิดกี่ครั้งมาร้องไห้กี่ครั้งถึงจะได้น้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นลหละคือการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบจบสิ้นจนกว่าเราจะได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พอเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องตายสิกขาพอเราได้ปฏิบัติตายสิกขาเราก็จะได้เห็นตายรักมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะละตัณหาทั้งสามได้คือการตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณห า, พ, ะะหาพอละตัณหาทั้งสามได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในไตายพบต่อไป ไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบรูปรพบและอรูปรพบนี่คือเรื่องของหมายเลขสามของพระพุทธศาสนาที่พวกเราอาจจะไม่เคยคิดกันมาก่อนก็ได้ว่ า, ามีความสำคัญอย่างไรในต่อไปนี้ขอให้เราจำหมายเลขสามนี้ให้ไว้ให้ดีจำได้ไ้ยมีอะไรบ้างาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนใาจาสาม การในรัตนาตายก็จะมีไตสิกขามีทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าไตาสิกขาสิกขาคือการอบรมปฏิบัติศึกษาคําว่าสิกขาแปลว่ามาจากคําว่าศึกษาแปลว่าศึกษาไตศึกษาก็คือให้ศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วก็ปฏิบัติตามศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะได้ไตรักพอมีศีลสมาธิปัญญาก็จะเห็นไตรัก มีดวงตาเห็นธรรมพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะละตัณหาทั้งสมได้พอละตัณหาทั้งสมได้ก็จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบได้ก็นี่คือเรื่องของหมายเลขสามเลขที่เป็นมงคลของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราจดจำให้ดีแล้วพยายามก้าวไปสู่ขั้นต่างๆของหมายเลขสามนี้ให้ได้ กัรนต้นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เข้าสู่การศึกษาใตายสิกขาเพื่อจะได้เห็นไตรนักเพื่อจะได้ละตัณหาเพื่อจะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี่คือเรื่องของหมายเลขสาขอให้ท่านนำเอาอไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมท น, นาให้ผ่อนยะทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคาลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกับปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสโตมาเตภวตวันตราโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวัตนาสีลิสานิจังวุทฒาปจายโน จตารโหธมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังสาธุก็สาม <laughs> ทำอะไรก็สามกราบพระก็สาม <laughs> สามหมดเลยสามเลยมงคลเนี่ย นัดวันนี้ตรงสามสามสามเนี่ยนะเอาสามจิ้งจบกร่ะสังจด้จู้จู้ จะมีความสงสัยในขณะที่เวลาปฏิบัติค่ะอ่ามันมันเหมือนกับว่าเราสมมุติเราสวดพนอยู่เนี้ยค่ะแต่แต่ว่าเราก็สวดผูกทุกอย่างแต่ว่าจิตเราก็ไปหลายที่มากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมันเป็นมันเป็นความคิดที่ละเรื่องหรือว่าทีละเรื่องเองเพียงแต่ว่ามันสลับไปสลับมาไงมันสลับไปเร็วมากจนกระทั่งเหมือนก็เป็นสองเรื่องมาพร้อมๆกันแต่ควาจริงมันมันก็มัน พูดโทไปพูดโธไปแล้วมันก็ว่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาพูดโธใหม่มันก็เลยเป็นเหมือนกับมันเป็นสองเรื่องแต่ความจริงมันก็มันสลับกันมันเร็วมากเออืร่งถ้าเราพูดโธรจริงๆมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เช่นตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วคิดคิดอยู่เรื่องอยู่ที่อยู่ที่นี่เราจะไปคิดถึงคนนี้คนนั้นที่นี่ที่นี่ไม่ได้ตอนนี้เราคุยกันแล้วก็คิดแต่เรื่องที่เราคุยกันทนั้นเอง อันอ uh, uh, ะพยายามให้มันอยู่กับเรื่องเดียวมันจะได้นิ่ง uh, นิ่งแล้วมันสงบแล้วมันจะมีกำลังที่จะสู้กับกิเลสสู้กับความอยากได้แล้วฝ mm hmm. uh, so, ึกฝึกสติไปเรื่อยๆอะอยากจะถามไหม uh, <Okay. S 1> uh, ล้งเอาไมโครโฟนพูดใกล้ๆคนจะได้ยินเสียง พูดใกล้ๆปากเลยดังๆเลยดังๆเลยคือความจริงเรื่องเรียนที่เจอปัญหาก็อย่างที่ที่น้องเรีนาอะไนะคะทีนี้คือคือตอนแรกก็อย่งเรื่องพูดโธเน่เดิมก็คิดว่าเอ๊ะต้องพูดโทตลอดเวลากัแบบบางครั้งก็อ๊ะ อย่างเราขับรถอยู่เนี่ยเราจะพูดโทได้หรอเราก็ต้องคือจริงๆจิตมันก็ควรจะอยู่กับสิ่งที่เราทำใช่ไหมคะคุณถ้าเกิดเราขับรถแล้วก็คือจิตก็ ค, ค, ควรจะอยู่กับการขับรถแต่ช่วงไหนที่เราว่างเว้นแล้วค่อยมาพูดโทอย่างนั้นแล้วแบบเช่นช่วงที่ไปอาลัง ม, มาอยู่บ้านว่างหรือมานั่งปฏิบัติอะไรอะไรค่อยพูดโทเพราะว่าระหว่างที่เราระหวา่างระหว่างวันเนี่ยเราก็จะมีภารกิจที่เราจะต้องทําอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งอยู่เนี่ย ก็เวลาคุณคุณทำภารกิจก็แล้วคุณไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นบ้างไงบางทีมันก็มีแว็บเรื่องอื่นมาก็นั่นแหละก็ถึงต้องใช้พุโทโธมาให้มันแว็บไง ม, ม่ให้มันไปให้มันอยู่กันเรื่องที่คุณทำอย่อย่างเดียวถ้ามันไปก็ใช้พุโทโธหนึ่งมันกลับมาอ๋อช่วงที่มันแว็บไปคิดเรื่องอื่นก็ให้เป็นแว็บไปที่พุโทโธแทนเลยนะอ่า ให้ดึงใจให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันบางทีเราแปลงฟันไปมันจะไปคิดเลยว่าเดี๋ยวไปกินขนมที่ไหนดีมันจไม่ แ, บบแวบหรอกมันไปตลอดเลยอ่ ะ, อ ะ, อะถึงต้องใช้พุโทโธหนึ่งมันกลับมาให้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวขับรถก็ให้บางทีขับไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยให้ใช้พุโทโธหยุดความคิดเหล่านั้นและให้จะได้จดจ่ออยู่กับการขับรถอย่างเดียว กระจายไหมถ้าเราจดจอดอยู่กับการขับรถไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องใช้พุโทโธแสดงว่าเรามีสติเรามีกําลังมากเราขับรถอย่างเดียวดูแต่ถนนอย่างเดียวไม่ได้ไปคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงใครเลยอย่างนี้แสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเราขับรถไปแล้วคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงสามีนี่แสดงว่าไม่มีสติในการขับรถแล้ว เพราะฉะนั้นเรียกว่าในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็สามารถสร้างความเข้มแข็งของสติโดยการตั้งใจคิดแต่สิ่งที่เราจะทําว่าเราทําอะไรก็ทําอะไรอย่างนั้นไปเป็นการเริ่มเบื้องต้นในแงชีวิตประจําวันใช่ ใ, ชให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เรลืมตาขึ้นมาก็ดูที่ร่างกายตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรกําลังนอนอพอจะลุกขึ้นมาก็รู้ว่ากําลังลุกอพอจะเดินไปห้องน้ําก็รู้ว่ากําลังเดินไปห้องน้ํา พอเข้าของน้ำล้างหน้าล้างตาแปลงฟันก็ให้รู้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อันนี้ก็เป็นการเจริญสติไปในตัวไม่ใช่ตื่นขึ้นมาเลืมตาปุ๊บก็คิดถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้ขึ้นมาอย่างนั้เรียกว่าไม่มีสติเข้าใจไหมถ้ามันไปแล้วเราดึงมันมาไม่ได้ก็ใช้พุโทโธหนึ่ง บางทีแปลงพันแล้วมันยังไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ก็พุทธโทรไปหยุดหยุดความคิดถ้ามันคิดอยู่กับเรื่องปัจจุบันก็ไม่ต้องหยุดมันเพราะบางทีเราต้องใช้ความคิดกับงานที่เรากำลังทำอยู่ดัง น, นั้นเราก็ไม่ต้องหยุดมันแต่ตอนที่มันไม่ได้ใช้กับงานที่เรากำลังทำอยู่มันกำลังเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันนี้ก็ต้องหยุดมันมันกำลังลอยไปกับอารมณ์ ถ้าเรามีสติเวลานั่งเราจะให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันก็ไม่ไปไหนถ้ามันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเดียวมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าให้มันดูลมหายใจมันก็จะไม่ไปดูอย่างอื่นมันก็จะดูลมอย่างเดียวไปแล้วมันก็จะสงบได้ถ้ามันไม่ดูลมอย่างเดียวไม่พุทโธอย่างเดียวมันไปคิดนู่นคิดนี่ไปสลับกันไปสลับกันมานั่งไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะสงบ ยังต้องฝึกสติให้มากๆก่อนสตินี่เราฝึกได้ในในชีวิตประจาวันของเราแต่จะง่ายจะยากนี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือเหตุการณ์ถ้าเราไปอยู่คนเดียวไม่มีเหตุการณ์มันจะง่ายไม่มีอะไรมาดึงใจไปให้คิดแต่ถ้าเราไปอยู่กับสถานที่มีเสียงมีมีกลิ่นมีรถอันเียวนู่นนี่ก็ดึงไปไงนี้ก็ดึงไปมันก็จะยาก คนที่อยากจะเจริญสติมากจะไปปลีกเว้วไปอยู่วัดกันไปอยู่ที่เงียบๆไปอยู่คนเดียวแล้วก็พุโทโธพุทโธไปอย่างเดียวเลือาดูการกระทําเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วมันก็จะมันก็จะไม่ลอยไปลอยมาเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบงเข้าใจแล้วนะี่ทางนี้ทางนี้ หนูสมองใสใน อ, อตัณหาตัวที่สามค่ะพระอาจารย์ที่ว่าเป็นวิวพภวตัณหาค่ะพรอาังไม่ค่อยกระจ่า ง, งวิพภวตัณหาคือความอยากไม่มีในสิ่งที่เราไม่อยากได้ไงเช่นไม่อยากจนนี้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเวลาร่างกายเจ็บนี้อยากจะหายใช่ไหมไม่อยากเจ็บความไม่อยากเจ็บความอยากไม่เจ็บไม่ใช่ไม่อยากเจ็บ ความอยากไม่เจ็บอยากไม่แก่อยากไม่ตายอยากไม่ไม่เจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบนี่ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันพออยากแล้วก็ทำให้เราต้องหนีมันถ้าหนีไม่ได้ก็ทุกข์แต่ถ้าเราทำใจเฉยๆมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้าเราไม่มีความอยากจะหนีมันใจก็จะไม่ทุกข์แล้วถ้าสมมติเราแบบเราอยาก ไม่ไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นแล้วแบบนี้ดีใช่ไหมคะคือว่าใช่ถ้าเราไม่มีแล้วเราไม่เราไม่ได้ไปอยากมีก็ใช้ได้แต่ถ้าเรามีแล้วเราไม่อยากจะมีมันก็เป็นความทุกข์อีกเช่นมีแฟนแล้วไม่อยากจะมีแต่แฟนก็ยังต้องอยู่กับเราอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราไม่มีแฟนแล้วเราไม่อยากจะมีแฟนนี้ก็ดี ถ้ามีแล้วเราไปอยากไม่มีนี่ก็แสดงว่ามันไม่ได้แล้วละมันเป็นวิภาวะตั้หาไปล่ะอย่าไปอยากไม่มีในสิ่งที่เรามีอย่าไปอยากมีในสิ่งที่เราไม่มีอขนะ้าใจไหเช่นถ้าเราไม่มีเงินนี้เราอย่าไปอยากมีเงินเนี้ยก็หมดอยู่กับการไม่มีเงินไป ถ้ามีแฟนถ้ามีเงินแล้วอยากจะไม่มีเงินเนี่ยมันก็ทุกได้เพราถ้าเป็นเงินที่เรายังต้องดูแลต้องเก็บไว้อยู่เราไม่สามารถที่จ ะ, ะทิ้งมันไปได้ย่เี้มันก็ทําให้เราทุกได้แต่ถ้าเราทิ้งมันได้มันก็มันก็หายทุกได้เหมือนกัน วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กวันนี้สูงสุด424ค่ะอ๋อ น, นี่เกิน80ค่ะอ่เกินร้อยเกิน400กว่าแล้วน ะ, ะ YouTube ก็80กว่าชาลานเข้ามาอย่างอ่าวิกอะไรอีเวียเนะออลิเวียก็ไม่ได้มาโทนี่หายไปเลยนะโรเบิร์ลาสเวกัสมีอยู่3คนใช่ไหม ี่บ้านตอนนี้มาอยู่เลยั้งนี่ภรรยาเป็นคนไทย uh. mm hmm. มีคำถามมาไหมมีค mm ่ะ hmm. uh, เอาเลยคำถามทางยูทูบจากคุณต้นุนค่ะผมตั้งใจจะถือสีแปดทุกวันครับแต่ผมต้องทำงานผมจะใช้โรออนทาเพื่อป้องกันกลิ่นตัวจะผิดสีหรือเปล่าครับ ผิดก็ไม่เป็นไรแม้ผิดเล็กๆน้อยๆสินบางทีมันต้องอยู่กับคนอื่นก็จะไม่ไปทําความลําค่าให้กับคนอื่นก็มันก็ไม่ถือว่าเป็นความเสียหายดับกลิ่นก็เหมือนกับอาบน้ำเนี่ยก็เหมือนกับอาบน้ำใช่ไหมแต่เวลาอาบน้ํำเราก็ดับกลิ่นเหมือนกันเมื่อเราไม่มีเวลาอาบเราก็เอาไอ้นี้อาบแทนก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนพอเราไม่ได้ทําด้วยความอยากให้มันอยากสุข อยากให้มันหอมเราเพียงแต่ต้องการไม่ให้คนอื่นเข้าราคาญเวลาอยู่ใกล้เราเท่านี้คำถามจากคุณทวีศักดิ์ค่ะการรู้ลมหายใจเข้าออกแม้ในตอนที่กําลังคุย อ, อยู่เป็นอย่างไรครับไม่กวนละว่เวลาคุยอยู่ให้รู้อยู่กับการคุยกันการจะดูลม น, นี่คนรจะดูเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตา ไม่มีอะไรต้องดูก็ดูลมไปแต่ถ้าเรากําลังทําอะไรอยู่ให้ดูสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ถ้าเราคุยกันก็ให้อยู่กับการคุยกันถ้าเรากําลังนับเงินก็ให้อยู่กับการนับเงินอย่าไปนับเงินแล้วก็ดูลมเดี๋ยวมันนับไม่ถูกงั้นดูลมจะเหมาะตอนที่เรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไป เวลาอื่นให้ดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายแต่อย่าไปดูจิตนะเพราะว่าจิตนียิ่งดูมันยิ่งไม่สงบ ก, การจะดูจิตได้นี่ต้องรู้จักหยุดจิตก่อนจิตนี้มันเหมือนลิงถ้าเราไปจับลิงถ้าเราไม่มีเครื่องมือไปจับลิงเราจับมันไม่ได้หรอกไปวิ่งตามันจนวันตายก็ไม่ทันมันมันเร็วกว่าเรา การจะดูจิตได้การจะหยุดจิตได้นี้ต้องมีสมาธิมีสติก่อ น, นถ้ามีสติมีสมาธิแล้วเราก็จะหยุหยดจิตได้ถ้าเราหยุดจิตได้แล้วเราค่อยไปดูจิตทำไมเราต้องดูจิตเพราะจิตมันมั น, ม, นมันทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างเวลามันทำอะไรไม่ดีเราต้องหยุดมันเช่นเวลามันโกรธเวลามันโลภเวลามันหลงเนี่ยเราต้องหยุดมัน เพราะว่าถ้าไม่หยุดมันมันจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะหยุดมันได้ก่อนเรามาดูมันเนี่ยดูไปจนมันตายก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโลบเดี๋ยวก็ไปทาตามที่มันสั่งบอกไปเอากาแฟมาเนี่ยแทนที่จะไปดูมันแทนที่จะไปฝืนมันก็ไปรับใช้มันไปซื้อเสื้อผ้ามาใหม่อีกสักชุดสิถ้าดูจิตนะถ้าดูจิตแล้วหยุดมันไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปดู การดูจิตนี้เพื่อหยุดจิตหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตอันนั้นต้องเป็นขั้นของปัญญาหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วถ้าเรามีสมาธิแล้วเราถึงจะดูจิตได้ดูจิตเพื่อหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากที่มีอยู่ในจิตถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งไปดูให้ดูร่างกายไปเพื่อที่ได้สร้างสติขึ้นมาเพื่อจะได้หยุดจิตได้ การดูร่างกายนี้จะทำให้หยุดจิตได้เพราะจิตจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเองจิตจะต้องอยู่กับการดูเรื่องร่างกายเพียง อ, อย่างเดียวแล้วเวลานั่งเฉยๆพอดูลมหายใจเพียง อ, อย่างเดียวมันก็จะสงบได้มันก็จะหยุดคิดได้นั้นควรเข้าใจผิดกันคนคิดว่านั่งปฏิบัติเพื่อให้ดูจิตเลยดูจิตมันต้องมีความสามารถที่จะหยุดจิตได้ถึงควถึงจะได้ประโยชน์ ถ้ายูจิตแล้วหยุดจิตยุดจิ ต, จตไม่ได้ก็ดูไปก็เหนื่อยไปเปล่าเปล่าคำถามจากคุณดานัยค่ะเมื่อโยภาวนาพุโทโธจนกระทั่งจิตจับคำภาวนาแล้วจิตจะค่อยๆดิ่งลงจนดิ่งลึกลงเหมือนไม่มีร่างกายเหมือนไม่หายใจไม่ภาวนามีเพียงสติที่กำกับจิตจึงของกราบนบรัศการถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่ง การที่สติกำกับจิตอยู่ในนี้เป็นลักษณะการชำระกิเลสในจิตใช่ไหมคะเมื่อหรอกเป็นการหยุดหยุดกิเลสไว้ชั่วคราวยังไม่ได้กำจัดมันกิเลสมันยังไม่ตายจากการใช้สติควบคุมใจพอถอนออกจากสมาธิมาถ้าเพลิสติกิเลสก็จะทำงานต่อความโลภความโกรธความหลง ก, ก็จะโผล่ขึ้นมาต่อวิธีที่จะกำจัดกิเลสต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุผล พราว่ากิเลสมันเกิดจากอารมณ์เกิดจากความหลงพอเอาปัญญามาสอนมันก็จะหายโลกเี่ที่มันโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันคิดว่าได้มาแล้วจะเป็นความสุขแต่ปัญญาจะบอกว่ามันเป็นความทุกข์พอเรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เช่นเครื่องดื่มที่เราดื่มเนี่ยที่เราคิดว่าดื่มแล้วมีความสุขกันเนี่ย ถ้าวันดีขึ้นดีเขาวิจัยออกมาว่าเป็นสารก่อมะเร็งนี่แล้วยังยังยังอยากจะดื่มกันเองก็เปล่า เ, ออเราก็จะหยุดดื่มทันทีไม่อยากดื่มทันทีเพราะเรามารู้ทีหลังว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็ดื่มกันดื่มกันแต่พอเขามาค้นคว้ามาวิจัยเขาพบว่าสารนี้เป็นสารก่อมะเร็งเห้ามไม่ควรจะดื่มนี่ยเราก็ไม่อยากจะดื่มแล้วเนีย เราจะหยุดความโลภความอยากต่างๆได้ต้องหยุดด้วยปัญญาปัญญาต้องชี้บอกให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่แน่นอนมันมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้มาดาเวลาได้มาก็สุขเวลาหมดไปก็ทุกข์ต้องเห็นอย่างนี้มันถึงจะหยุดความโลภความอยากได้อย่างถาวรแต่ถ้าใช้สติมันก็เพียงแต่หยุดคิด ถึงเรื่องที่เราอยากพอเราหยุดคิดถึงเรื่องเราอยากความอยากก็หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวพอเรากลับมาคิดถึงมันอีกความอยากก็จะโผขึ้นมาอีกอข้อที่สองข้อที่สองค่ะเมื่อถอนจิตขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่ออกจากสมาธิโยมได้พิจารณากายตัวเองทุกวันนี้โยมจึงดูแลรักษาร่างกายเพื่อสำหรับใช้ประโยชน์เท่านั้นพระอาจารย์มีคาสอนสาหรับข้อนี้อย่างไรคะ ก็ร่างกายมันก็ถ้าจะใช้ประโยชน์ก็ต้องใช้ประโยชน์เพื่อให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นถ้าไปใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็ไปเที่ยวไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอันนี้ก็เป็นการเสียเวลาเปล่าๆ เ, เพราะว่าในที่สุดร่างกายมันก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้เวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตาย มันก็จะทำให้เร า, เาทุกข์อยู่แลจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยีกงั้นการที่เราจะเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็เพื่อเลี้ยงดูมันเพื่อให้เอ า, เอามาปฏิบัติทำเอามาชาระกิเลสมากำจัดความโลภความโกรธความโงความอยากต่างๆไม่ใช่มีร่างกายไว้เพื่อไปหากินหาราบยศสันลเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายข้อที่สามค่ะ ปัจจุบันยมใช้สติควบคุมจิตใจได้มากขึ้นสติมักจะเตือนจิตอยู่เสมอถ้าบางถ้าบางครั้งจิตถูกกระทบหรือเริ่มปรุงแต่งจิตจะตัดอารมณ์และความคิดนั้นทันทีส่วนทางกับสภาพร่างกายที่เริ่มซุดโทมไปตามอายุพระอาจารย์จะกกลยาณาแนะนำเพิเ่มเติมอย่างไรหรือไม่คะก็ต้องต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ํานมไฟเราต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปเมื่อถึงเวลามันจะต้องตายก็ปล่อยให้มันตายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ขข ก, กับมันคําถามจากคุณบีบีค่ะกรรมกับธรรม เขียนคล้ายๆกันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับการกระทํากรมการกลับอะไรทำธรรมธรรมะกรมแปลว่าการกระทำไงการกระทําก็คือทางกายทางวาจาทางใจทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทางร่างกายก็เรียกว่ากายกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมคือการกระทํามโนกรรมก็คือความคิด วจีกรรมก็คือการพูดจากันพูดคุยกันเรียกว่าวจีกรรมกายกรรมก็คือการใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆเรียกว่ากรรมส่วนธรรมวธรรมนี้แปลว่ามีหลายความหมายความหมายหลักก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าความหมายกว้างก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมหมดสภาวะธรรมคําคถามจากคุณอีซี่ค่ะจิตเป็นของเรา จิตนี้บังคับได้ไหมหรือแค่รู้อย่างเดียวครับจิตนี้ไม่ได้เป็นของเราจิตเป็นตัวรู้ตัวคิดนะถ้าเราฝึกจิตเราก็สามารถควบคุมความคิดของจิตได้ควบคุมให้หยุดก็ได้ให้คิดก็ได้ให้คิดไปในทางที่ดีก็ได้หใ ห, ห้คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้หรือให้หยุดคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ถ้าเรามีสติมีปรรัญญาเราก็จะสามารถควบคุมจิตได้ คำถามจากคุณพาคินค่ะกายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ตัวเราแต่จิตคือผู้รู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ผมเข้าใจถูกไหมครับคือรู้ทุกอย่างนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องที่ควรรู้ไม่ควรรู้มันรู้หมดเนะี่ยเพียงแต่ว่ามันรู้แบบฉลาดหรือรู้แบบโง่ตอนนี้จิตของพวกเราเนี่ยรู้แบบโง่กันรู้แบบหลงกันรู้อะไรก็คิดว่าเป็นของเราไปหมดเลยรู้อะไรก็คิดว่าเป็นเที่ยง มันรู้ถึงต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราว่าให้รู้แบบพระพุทธเจ้ารู้แบบว่ารู้แบบตายลักให้รู้ตายลักให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับมันเพราะเราจะไม่ไปยึดไปถือไปติดแล้วเวลามันเสื่อมมันจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์กันคาถามจากคุณนภพล หลังจากนั่งภาวนาเสร็จแล้วฝันว่าได้มีโอกาสไปทุดดวงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นนิมิตอันมงคลหรือเปล่าครับก็เป็นความฝันจะว่ามงคลก็ได้ไม่มงคลก็ได้ก็ได้อยู่ที่ว่าเราไปทําอะไรต่อหรือไ ม, ไม่ถ้าเราไปทุดดวงก็ถือว่าเป็นมงคลถ้าฝันเฉยๆมันก็ไม่เป็นมงคลอะไรฝันแล้วก็หายไปถ้าจะให้มันเป็นมงคลก็ต้องเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาอเช่นไปทุดดวงกับครูบาอาจารย์สักเจ็ดวันเนี่ย ไปแบกไปช่วยท่านถือบาตรถืออะไรไปก็ปอยู่ทุดงในป่ากันถ้าอย่างเนี้ยมันก็เป็นมงคลแต่คิดเฉยๆแล้วไม่ทํามันฝันเฉยๆมันก็เป็นแค่ความคิดฝันว่าเป็นฝันว่าเป็นมหาเศรษฐีเตินขึ้นมาก็ยังยากจนอยู่ <c oughs> <c oughs> จะว่ามงคลก็ได้ไม่มงคลก็ได้คำถามจากคุณสิริ เมื่อมีเวทนาในจิตใช้สังขารปุ่มไปในทางมัธโดยภาวนาพุทโธไปจนกว่าจะสงบเข้าสมาธิไปเฉยๆหรือว่าปล่อยให้เป็นไปตามกฎอนิจจังอยู่กับขันติคือคำว่าเวทนาในจิตก็หมายถึงว่าทุกข์หรือสุขของจิตเนี่ยจิตจะทุกข์ก็เพราะจิตเปคิดไปตามความอยากคิดไปในทางตัณหาต่างๆพอคิดแล้วมันก็จะทาให้ทุกข์ขึ้นมา ถ้าอยากให้เวทนาทางจิตคือความทุกข์นี้หายไปก็ต้องหยุดคิดโดยคิดไปในทางที่ทำให้จิตปล่อยวางหยุดความอยากได้อันนี้ก็จะทำให้ความทุกข์ในจิตหายไปส่วนในทางร่างกายนี้ทุกทางร่างกายนี้เราไปสั่งมันไม่ได้เวลามันเจ็บขึ้นมามันก็ต้องรอให้มันหายเองจะไปบอกเฮ้ย hey, หายเดี๋ยวนี้นะหายไปยนะี่มันไม่หายเะั้น ทางทุกทางร่างกายเราก็ต้องฝึกใจให้อยู่กับมันไปอยู่กับสุขอยู่กับทุกข์อยู่กับไม่สุขไม่ทุกข์ของร่างกายไปร่างกายมีความรู้สึกอยู่สามแบบสุขรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มันก็สลับกันไปสลับกันมาเราจะเราต้องฝึกใจให้อยู่กับมันอย่าไปให้มีความอยากในความในนาอย่างใดอย่างหนึง่ง ส่วนใหญ่เราจะมีความวิมีความอยากในสุขเวทนากันอยากให้ร่างกายสุขเพียงอย่างเดียวพอร่างกายไม่สบายก็ไปสร้างทุกขเวทนาทางใจขึ้นมาอีกันทำให้ใจทุกข์เพราะความอยากอยากให้ความทุกขทางร่างกายหายไปถ้าเราไม่อยากจะสร้างความทุกขทางใจให้เกิดขึ้นเราก็ต้องอย่าไปอยากให้ความทุกขทางร่างกายหายไปพอมันไม่หายมันไม่ได้หายด้วยความอยากของเรา เดี๋ยวมันก็หายด้วยด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันเองเดี๋ยวถึงเวลามันจะหายมันก็หายปวดท้องมากๆเดี๋ยวมันถ่ายออกมาเสร็จมันก็หายไปเองทุกอย่างมันมีเกิดมีดับของมันเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าเวทนาทางร่างกายแต่เวทนาทางใจคือความทุกข์ใจนี้มันเกิดจากความคิดไม่ดีของเราคิดไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงพอไม่เที่ยงก็ทําให้เราทุกข์เล ค, คิดไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอมันพอมันไม่ได้เป็นของเราขึ้นมาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเวทนาทางใจคือความสุขความทุกข์ทางใจเราควบคุมได้ด้วยการด้วยความคิดของเราถ้าเราคิดไปในทางตายรักเราก็จะไม่ทุกข์กันถ้าเราไปคิดในทางตรงขัง้นอ้ามกับตายรักเราก็จะทุกข์กันตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัต่ตาใช่ไหม นิจจังเนี่ยมาได้อะไรมาแลเที่ยงแท้แน่นอนถาวรได้มาแล้วต้องให้ความสุขกับเราไปตลอดนได้มาแล้วต้องเป็นของเราไปตลอดเรามักจะคิดอย่างนี้กันพอได้อะไรมาเราจะคิดว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอมันไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตามันกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาเราก็ร้องโหยร้องไห้กันแล้วเราต้องหัดคิดใหม่หัดคิดว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วเราก็จะได้ไม่อยากไปมีมันพอเราไม่มีมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคําถามจากคุณนาราพระโพธิสัตว์มีจิตเป็นพระอริยะไหมครับไม่เป็นหล่กพระโพธิสัตว์ก็เป็นพวกเราเนี่ยพวกปุตุชนที่มีโลคกิดหลงแต่มีศรัทธาอยากจะหลุดพ้นจากการจากโลคกิดหลงก็เลยพยายามหาวิธีที่จะทําให้ตนเองได้อ่า หมดทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงถ้าก็ต้องไปค้นค้าหาวิธีต่างๆอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็ค้นค้าหาวิธีมาเรื่อยๆในแต่ละภพแต่ละชาติแจนในที่สุดก็มาสำเร็จในชาติสุดท้ายได้มาเป็นพระพุทธเจ้าคือปุตุชนที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าปุตุชนที่ยังไม่มีความปรารถนา เช่นยังอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่ก็ไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เพราะผูุ้ชนที่หาความสุขก็จะมักจะไปทำบาปไปทําตามความโลภ ก, กันไม่เคยคิดที่จะหยุดความโลภหยุดความอยากกันครับถามจากคุณนันทนาการในศีลข้อสามกับการราคะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะคือในศีลข้อสามนี้หมายถึงว่า ให้เสพกามได้แต่ให้เสพกามแบบให้มันไม่ผิดประเพณีคือประเพณีของโลกของมนุษย์ก็คือให้มีผัวเดียวเมียเดียวถ้าอยากจะเสพกามก็ให้เสพกับสามีกับภรรยาของตนกับคู่ครองของตนเรียกว่าเป็นประเพณีของมนุษย์มนุษย์นี้มีคู่คู่เดียวรักเดียวใจเดียวจะได้มีความสุขจากการที่มีคู่ครองกัน ถ้ามีหลายใจเดี๋ยวมันจะไปมีหลายคนแลเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจตามมาเพราะคนที่เขาถ้าถ้าเราไปมีหลายคนแฟนเราก็จะมั น, น้อยใจจะเสียใจแทนที่จะมีความสุขร่วมกันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ร่วมกันอันนี้ก็เรียกว่ากาเมสุมิฉาจาราวรมณีละเว้นการประพฤติผิดในกามก็คือละเว้นจากการเสพกามนอก น อ, นอกสมรสก็แล้วกันพูดง่ายๆให้เสพกับคู่ครองของเราคู่สามีภรรยาของเราก็จะถือว่ายังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเสพนอกการนอกสมรสก็เป็นพวกสุนัขไปพวกพวกเดราฉานเขาไม่มีงานแต่งงานกันใช่ไหมเดราชานเขาเจอที่ไหนกันเมื่อไหร่เขาอยากกันเมื่อไหร่เขาก็เอากันเมื่อ น, นั้นเน่ยก็เหมือนพวกที่ไปเที่ยวตามบาร์ตามผับเนี่ย เจอกันที่ไหนเมื่อไหร่อยากกันเมื่อไหร่ก็ชวนกันเข้าโรงแรมเมื่อ น, นั้นอันนั้นก็เป็นเหมือนพวกพวกเดรัชานพวกนี้เขาไม่ได้ถือศีลข้อสามกันส่วนการมาราคะก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการเกิดความอยากเสพกามไงราคะคือแปลว่าความกำหนัดยินดีความใคร่ความใคร่ที่อยากจะเสพลูกเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้ก็เรียกว่าการมาราคะ การมีการมารคะจึงทำให้เราไปมีเสกกามกันเราถึงต้องมีการเมสุมิฉาจาราให้เสษแบบมนุษย์กันอย่าไปเสษแบบเดรัจฉานกันเพราะเสษแบบเดรัจฉานมันวุ่นวายเดี๋ยวมันกัดกันมันตีกันมันฆ่ากันแต่ถ้าเสษแบบมนุษย์มันก็ต่างคนต่างตเสกกันของใครของมันกันไม่มายุ่งไม่มายุ่งกันก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขได้ ถามจากคุณโอโมถ้าต้องละสัมโยนตพ่อสักกายาทิฏฐิเพื่อเจริญโสดาปติมัชควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องศึกษาว่าร่างกายของเรากับความรู้สึกของร่างกายคือความเจ็บความไม่เจ็บของร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของดินน้ํำลมไฟ ร่างกายนี้มันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ความเจ็บมันก็บางทีก็เจ็บบางทีก็ไม่เจ็บเวลามันเจ็บจะให้มันหายเจ็บมันก็ไม่หายก็ต้องปล่อยมันถ้าเราปล่อยให้ร่างกายแก่ให้ร่างกายเจ็บให้ร่างกายตายไม่ไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าเรายังไม่ปล่อยเราก็จะทุกข์เวลาเวลาเห็นผมขาวหน่อยก็ทุกข์ละผมหงอกหน่อยก็ทุกข์ละ เห็นหนังเหี่ยวหน่อยก็ทุกข์แล้วอหนังย่นหน่อยก็ทุกข์แล้วเวลาเจ็บขึ้นมาก็ก็ทุกข์ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นนุ่นเป็นนี่ขึ้นมาหรือเปล่าแล้วถ้ารู้ว่าจะตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะว่าเรายังไม่ปล่อยร่างกายเรายังไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่เราต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญ เราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตมารับร่างกายนี้มาใช้ชั่วคราวฉนั้นเราถึงเวลาต้องปล่อยเราต้องปล่อยมันอย่าไปถือว่าเป็นของเราถ้าเราปล่อยได้เราก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายคำถามจากคุณบุญพาทีา่มาฟังไปพิจารณาไปเรียกว่า ก, กรรมฐานหรือเปล่าคะเรียกว่าเป็นการ ภาวนาก็ได้เป็นการเจริญปัญญาแต่ยังเป็นขั้นจินตามมยาปัญญาอยู่คื อ, อยังไม่สามารถหยุดกิเลสได้ถ้าหยุดกิเลสได้ก็จะเป็นภาวนามยาปัญญาขึ้นมาที่เราฟังเมื่อกี้แล้วปล่อยวางร่างกายได้วนุเป็นโสดาบัานได้ตอนนั้นก็เป็นภาวนามย์ปัญญาขึ้นมาอย่างพระอัญญาโกนทัญญะ พอพระเจ้าแสดงเรื่องของงานกายว่าไม่เ <differences> nice. ที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยพอฟังก็พิจารณาไปแล้วก็ปล่อยวางไปก็บรรลุได้ในขณะที่ฟังเลยที่ท่านบรรลุได้เพราะว่าจิตของท่านมีกําลังมีสมาธิมีฌานแล้วพอมีฌานแล้วพอพระทเจ้าบอกให้ปล่อยร่างกายท่านก็ปล่อยเลยปล่อยความเจ็บท่านก็ปล่อยเลยพอท่านปล่อยท่านก็เลยไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายความตายของร่างกายต่อไป ท่านก็รู้ว่าท่านบนรรลุแล้วท่านไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วเอนนี้เรายังทุกข์กันอยู่เปล่าเนี่ยฟังแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของเรามันต้องเจ็บมันต้องตายเรายังทุกข์กับมันอยู่เปล่าถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันคาถามจากคุณมัทส่งออกนาม มีความสงสัยว่าเนื้อคู่บุกเพศนีว้ว่ามีจริงไหมคะถ้ามีจริงลิ่ิตให้เราต้องเป็นเนื้อคู่กับใครแล้วจะมีวิธีชนะกรรมไหมคะคือเนื้อคู่มันก็หมายความว่าเราชอบสิ่งไหนพอเราเจอมันก็เลยเราก็ชอบมันเขาเจอเราเขาก็ชอบเรามันก็เลยเป็นเนื้อคู่กันไปนี่มันก็อยู่ที่ความชอบถ้าไปชอบของอันเดียวกันสิ่งเดียวกันชอบของแบบเดียวกันมันก็เป็นเนื้อคู่กันขึ้นมาเท่านั้นเอง ถ้าไม่ชอบมันก็ไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้าเราเจอไอ้คนนี้แล้วเราไม่ชอบมันเราจะไปอยู่กับมันหรอแต่ถ้าเราไปเจอแล้วเราชอบเราก็ไปอยู่กับมันคำว่าเนื้อคู่จริงๆก็แปลว่าความชอบของเรานี่แหละพอเราไปชอบอะไรเข้าเราก็ไปเรียกว่ามเป็นเนื้อคู่ของเราขึ้นมาเพราะชาติก่อนอาจจะเคยชอบแบบนี้มาก่อนพอชาตินี้มาเจอแบบนี้ก็ชอบอีกอาจจะไม่ใช่เป็นคนเดียวกันก็ได้แต่เป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นกระเป๋ายี่ห้อเดียวกัน คำถามจากคุณธัญพรในการเจริญสติบางทีมีความคิดไม่ดีแบบขึ้นมาเรารู้ทันและสามารถระงับความคิดนั้นได้ทําให้คิดว่าจิตเรายังสกปรกต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่รู้ว่าจะสอนใจตัวเองยังไงควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็อย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองเมื่อมันคิดไม่ดีแล้วก็เลิกคิดมันต่อไปมันก็ไม่คิดคำถามจาก หลวงพ่อคะเมื่อหนูพิจารณาความตายก็คิดว่าถ้าเราตายไปคำว่าหน้าที่ที่เรามีอยู่ก็จบลงเพราะในหน้าที่ที่ทำอยู่มีทั้งสุขและทุกข์มีคำผุดขึ้นมาของทุกอย่างก็ไม่ใช่ของเราจงวางของทุกอย่างพร้อมทั้งสุขและทุกข์เพราะมันเป็นสมมุติก็จะพบวิมุตหนูขอคำชี้แนะว่าสิ่งที่ผุดนี้เป็นจิตหลอกหรือเปล่าคะ ก็เป็นคําสอนเท่านั้นเองเหมือนกัที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้จิตสอนจิตก็ได้เพราะนในอดีตอาจจะเคยได้ยินได้ฟังคําสอนเหล่านี้มาก่อนมันก็ฝังอยู่ในใจพอถึงเวลามันก็ผุดขึ้นม า, ม า, ม, ามาเตือนมาสอนเราอยู่ที่ว่าเราเอาไปทําตามได้หรือเปล่าลองทิ้งทุกอย่างแล้วไปบวชอยู่สักพักนึงดูได้หรือเปล่า <ừ. S 1> ทดสอบใจดูว่าเราเราเร า, เราสามารถทําตามที่เราคิดได้หรือเปล่า ถ้าคิดแล้วทาตามไม่ได้ก็ยังไม่เป็นประโยชน์อะไรเช่นแต่เราพิจารณาในจิตมันบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็ลองทิ้งทุกอย่างไปชั่วข้าวกันนะไม่ต้องทิ้งถาวรหรอกไปบวชชีสักหกเดือนสักปีหนึ่งดูดูว่าจะทิ้งได้จริงจริงหรือเปล่าถ้าทิ้งได้จริงๆก็ไม่กลับมาแล้วคบถามจากคุณทอง การที่เรากําหนดทุกอริยบทก็เหมือนเรากําหนดพุโทโธใช่ไหมครับใช้แทนกันได้เพราะเวลาโยมกําหนดอริยบทมันทําได้ทีละอย่างได้เหมือนกันอ่ะใช้แทนกันได้มันมีอยู่สีวิธีที่เรียกว่ากรรมาฐานสี่สิบถ้าจิตเราอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ไปทํำเรื่องอื่นไม่ได้ครับ ถ, ถามจากคุณปราดิษฐ์บางคนที่เขาบอกว่ามีจิตสัมผัสเรื่องต่างๆหรือบางเรื่อง นั้นหมายถึงอะไรครับก็เ ข, า, ขามีอภิน ญ, ญามจิตมีความสามารถที่จะรู้เรื่องอะไรที่ไม่สามารถเห็นรู้ด้วยทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยทางจิตโดยตรงคาถามจากคุณเปิ้ลมีเพื่อนคนหนึ่งปฏิบัติมานานเขาบอกว่าเข้าฌานได้สมาบัติจิตเริ่มเปลี่ยนได้โสดาปฏิมติ มีพระองค์หนึ่งบอกเขาโลกสงสัยคะ่ะว่าโสดาบันนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรคะเพราะการละส ก, กายะทิฐิมันละเอียดมากได้การเข้าฌานไม่สามารถที่จะละได้อย่างถาวรละได้ชั่วข่าวเวลาเข้าฌานเราก็ปล่อยวางร่างกายไปไม่สนใจกับร่างกายแล้วร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องก็เ ร, เรียกว่าละแต่ละชั่วข่าวแต่พอออกมาปั๊บมันก็กลับมายึดเหมือนเดิม ออกจากสมาธิมาก็กลับมายึดติดกับร่างกายถ้ายังกลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่ก็ยังถือว่ายังละไม่ได้ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานะเห็นว่ามันไม่เที่ยงท่านั้นนะถึงจะละได้คำ ถ, ถามจากคุณกิ่งแก้ววิตกวิจารคืออาการอย่างไรคะเกี่ยวกับการบริกรรมพุทโธไหมคะเกี่ยวก็บริกรรมพุทโธเนี่ยเรากาลังวิตกวิจาร วิตกก็คือตรึกไงเวลาพุโทโธนี้เราก็ตึกแล้วก็วิจารณ์ก็คือตรองตรองก็คือรู้ว่าเรากําลังพุโทโธถ้าเราพุโทโธพุโทโธแต่เราไม่รู้เราก็มีแต่ตรึกไม่มีตรองแต่ถ้าเรารู้ว่า เ, ออเรากําลังพุโทโธก็แสดงว่าเรากําลังตรึกกําลังตรองอยู่คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามความเพลิดเพลินในการเจริญสติคืออยู่กับปัจจุบนันไปเรื่อยๆได้ทั้งวันมีความสุขดีเพราะไม่ต้องคิดอะไร และไม่อึดอัดในการที่ต้องบังคับให้ดูเหมือนเมื่อก่อนตอนเริ่มปฏิบัติถือว่ามาถูกทางไหมคะมาถูกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าควรจะนั่งจะได้สงบมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเรายังเคลื่อนไหวทางร่างกายอยู่จิตยังไม่สามารถสงบได้เต็มที่แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วเราจเจริญสติต่อจิตก็จะปล่อยวางร่างกายได้แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เต็มที่สงบได้เต็มร้อย จะได้ความสุขเต็มร้อยสุขมากกว่าตอนที่เราไม่ได้เข้าสมาธิครับถามจากนายพลหยางเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้ปัรถนาพุทธภูมิหรือไม่แล้วจะหลีนิสัยของผู้ที่ปัรถนาเป็นอย่างไรครับถ้าเราไม่ทราบก็แสดงว่าเราไม่ใช่ก่อนที่จะใช่เขาจะรู้ว่าเขาจะอยากจ ะ, ะกําจัดความโลภความโกรธความหลงการกระทําของเขานีจะ อย่มุ่งไปที่การกําจัดความโลภโกรธหลงเท่านั้นถ้าเดิจะเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนถ้ามีเขาก็ไม่ต้องไปถือไปหาพุทธภูมิไม่เสียเวลาเขาสามารถไปอาราตะภูมิซึ่งไปถึงพระนิพพานได้เหมือนกันพระพุทธภูมิการอารัตะภูมิก็เป็นเหมือนทางเดินที่ไปสู่พระนิพพานจุดหมายปลายทางก็อันเดียวกันอาราตะภูมิมันง่ายกว่าเพราะมีคนสร้างถนนให้แล้ว พระพุทธเจ้ามาสร้างทางให้แล้วเราเดินทางไปได้เลยถ้าเป็นพระพุทธภูมินี่ต้องไปสร้างถนนเองคิดดูถ้าจะเดินทางจากนี้ไปกรุงเทพเนี่ยระหว่างสร้างถนนไปกับกับกับขับไปบนถนนที่เขาสร้างให้เสร็จแล้วอันไหนจะสะดวด ก, กว่ากันผลก็เหมือนกันผลก็ไปถึงกรุงเทพเหมือนกันเท่านั้นไปถึงพระนิพพานเหมือนกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเท่านั้นไม่มีอะไรต่างกัน ต่างกันตองที่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นคนที่ช่วยคนได้มากกว่าเพราะมีความรู้ความสามารถมากกว่าแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ช่วยได้น้อยกว่าท่านั้นเองข้อถามจากคุณจันทร์พระอาจารย์เจ้าคะหากเคยมีคนนําเงินมาร่วมใส่ซองทําบุญร่วมกับเราณวัดแห่งหนึ่งแล้วมีเหตุให้เราไม่ได้นําเงินจํานวนนั้นไปทําบุญกับวัดนั้น และเราก็ได้ใช้เงินนั้นไปบางส่วนแต่ในเวลาต่อมาเราได้นำเงินจำนวนบังกล่าวทั้งหมดและต่อยอดให้เป็นจำนวนเต็มไม่มีเศษได้ร่วมทำบุญกับวัดสายพระป่ากรรมฐานซึ่งเป็นซึ่งก็เป็นสายธรรมยุทธ์เหมือนกันแต่เราไม่รู้ตอนนั้นและนึกถึงผู้ร่วมบุญทั้งหมดในครั้งนั้นที่เขาร่วมอธิษฐานมา <S <S เหตุการณ์แบบนี้ <S <S เราจะบาปไหมคะ <S <S และผู้ร่วมบุญในครั้งนั้นจะได้รับผลบุญไหมคะ ถ้าเราต้องการให้มันบริสุทธิ์ผุดพองเราก็ควรจะไปแจ้งพวกที่เขาร่วมบุญกับเราว่าเราไม่ได้ทำตามที่ที่เราบอกเขาหรือที่ตามเจตนาของเขาสารภาพบาปใช่เพราะเราไม่ได้ถ้าเราไม่บอกก็เสมือนก็เราหลอกลวงเขาหลอกลวงเอาเงินของเขาเขาก็คิดว่าเราจะเอาเงินไปทำบุญกับวันนี้แล้วเราก็ไม่ได้เอาไปทำเราเอาไปใช้ก่อนไปยืมเงินไปใช้ก่อน แล้วตอนหลังเราค่อยเอาเงินนี้มาแล้วแทนที่จะเอาไปทำบุญที่วัดที่เราบอกเขาเราก็ไม่ทำอีกเราก็าไปทากับวัดอื่นอีกเงอันนี้มันก็เป็นการไม่ไม่สุจริตไม่ซื่อสัตย์ส่วนคนที่เขาทำบุญที่เขาบริจาคเงินไปแล้วเขาได้บุญแล้วถ้าเขาไม่ติดใจถ้าเขาไม่ไปกังวลเขาก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าเขากังวลเขาติดใจความกังวลนี่มันก็จะมากันบุญที่เขาควรจะได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องก็กลับไปบอกผู้ที่ร่วมบุญว่าได้ทำการเกิดอาการเกิดการผิดพลาดขึ้นมาตอนที่ได้เงินมาแล้วยังไม่สามารถเอาไปทำได้ตามที่บอก่็เอาไปใช้ก่อนตอนนี้มีเงินพอแล้วก็จะเอาเงินไปทำแต่ไม่ได้ไปทำที่วัดนั้นเอาไปทำอีกวัดหนึ่ง ถ้านก็บอกว่า อ, อนุโมทนาก็จบแต่ถ้านก็บอกไม่ได้เราก็ต้องคืนเงินเข้าไปหรือไม่เช่นั้นก็เอาเงินที่ที่ที่จะไปทําบุญนี่ไปทําวัดที่เราที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่เดิมมันจะได้ไม่มีการหลอกลวงกันคําถามจากคุณมานาะปิตาจิตไม่ใช่เราแล้วเราเป็นอะไรเจ้าคะเราเป็นผู้หลงเนี่ยเราเป็นเราเป็ น, เ ร, เ, ปนเราเป็นสังขารเราเป็นความคิด พอเราคิดเราก็เกิดเราขึ้นมาพอหยุดคิดเราก็หายไปก็จะเหลือแต่ผู้รู้เราออกมาจากผู้คิดพอเราคิดปั๊บมันก็เป็นเราขึ้นมาคิดว่าเราเราก็มีเราขึ้นมาพอหยุดคิดเราก็หายไปเวลาเรานั่งสมาธิเราหยุดคิดเราก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้รู้เฉยเฉยนั้นเราก็คือความคิดนี่เองคำถามจากคุณลิลลี่ เมื่อวานไปทําฟันค่ะเสียงกรฟันทําให้เรารู้สึกกลัวรู้ว่าใจมันเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินพุดโทตลอดแล้วก็หายใจลึกๆก็แล้วค่ะใจก็ยังเต้นแรงคือต้องภาวนาให้ใจมันเฉยๆใช่ไหมคะอพยายามทำไมได้เรื่อยตามต้นนี้กําลังยังน้อยอยู่ใจมันยังไปติดอยู่กับเสียงอยู่ให้ติดอยู่กับพูดโทรไปเดียวมันก็จะลืมเรื่องเสียงแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบมันก็จะไม่วุ่นวายไปกับเสียง ถามจากคุณใหม่ขอคำอธิบายของจิตที่มีฌามด้วยค่ะจิตถ้ามันคิดมันก็ไม่สงบ ก, ก็ไม่มีฌาเพอจิตหยุดคิดมันก็เป็นฌามขึ้นมานการหยุดคิดของจิตมันก็มีหลายระดับมันไม่ได้หยุดแบบร้อยเเ็นมันเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นสมาบัติเนี่ยมันถึงจะหยุดคิดเต็มร้อยขึ้นมาทีข้อถามจากคุณนันทิดา คนที่เคยทำผิดศีลอย่างไรก็ต้องไปนรกหรือไม่คะการจะพ้นจากนรกคือไปนิพพานเท่านั้นหรือไม่คะคือการผิดศีลนี่มันมีที่ไปอยู่สี่ที่มันไม่ได้จำเป็นจะต้องไปนรกเสมอถ้าผิดศีลเพราะไม่รู้เนี่ยก็ไปเป็นเดลฉานผิดศีลเพราะโลกก็ไปเป็นเปรตผิดศีลเพราะกลัวก็ไปเป็นอสุรกาย ติดสินเพราะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเนี่ยถึงไปนรกแล้วพอพ้นจากบาปมาก็ไม่ได้ไปนิพพานพ้นจากบาปมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์มาโลภมาโกรธมาหลงมาทำบุญทำบาปใหม่จะไปนิพพานได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนให้หยุดความโลภความโกรธความหลงให้มีตายักให้เห็นตายรัก แล้วก็หยุดความอยากกามาตัญหาภาวตัญหาวิภาวะตัญ ห, หาได้พอหยุดได้ก็จะไปนิพพานอย่างสมัยที่เนี่ยสมัยนี้มีสมัยที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยมนุษย์จึงมีโอกาสไปเป็นไปนิพพานกันได้เยอะแยะมีพระอรหันต์ไปกันทุกยุคทุกสมัยเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสองพันห้ารอยกว่าปีเนี่ยมีพระอรหันต์เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมีคนไปพู้นิพพานกันได้อยู่เรื่อยๆเพราะตอนนี้ ยังมีการบริการบินอยู่บินระหว่างโลกนี้กับ น, นิพพานอยู่แต่พอไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อไหร่คือการบินเจ๊งละบริษัทการบินเจ๊งต้องปิดการบริการตอนนั้นก็ไม่มีใครจะบินไปนิพพานได้ก็ต้องรอให้มีสายการบินใหม่มาโผล่ข่าวหน้าสายการบินใหม่อํนนานาจก็จะชื่อว่าพระศรีอานการบินใหม่กับพระศรีอานมาเปิดบริการใหม่แล้วก็จะมีคนตีตั๋ว ตีตายสิกขากันไปตีไตรักกันไปเดี๋ยวก็จะไปนิพพานกันต่อได้ไหมแต่ต้องมาเป็นมนุษย์นี่ยถ้าพบอื่นไ ม, มไม่มีไม่มีสายการบินบริการสายการบินต้องไปบริการเป็นกรณีพิเศษอย่างพระพุทธเจ้านี้ต้องไปบริการแม่ที่ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเป็นเทวดาบนสวรรค์สวรรค์ไม่มีบริษัทการบินที่จะไปนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าอะไรต้องเป็นเซลแมนไปขายตั๋วให้แม่ที่ ที่สวรรค์เข้าใจไหมพอขายตั๋วป้าแม่ซีวิตั๋วแา่ก็ไปนิพพานไปเป็นโสดาบันไปนิพพานต่อได้เลยงั้นพวกที่เป็นจะไปนิพพานง่ายที่สุดต้องเป็นพวกมนุษย์นพวกเทวดานี้ต้องเป็นพวกที่สนใจมาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าถึงจะไปได้พวกที่ไม่สนใจก็ไม่ไม่ได้ไปงั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสดีที่สุดสําหรับการไปนิพพานน ถ้ามีพระพุทธศาสนาตอนนี้แต่ไปเกิดเป็นเทวดานี่ก็อาจจะไม่มีไม่ได้รับประโยชน์อย่างพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปที่ท่านไปศึกษาก่อนที่ท่านจะบรรลุเนี่ยท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ท่านพรมกันท่านก็เลยไม่ไม่สามารถมารับรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่สามารถรู้ว่ามีบ ร, ริษัทการบินที่จะพาไปนิพพานได้พอท่านกลับมาเกิดต่อมาอาจจะบริษัทการบินนี้อาจจะเจ๊งไปแล้วก็ได้ เพราะไปอยู่บนพบม่าโลกนี่อาจจะอยู่เป็นหมื่นปีอย่างเงี้ยเพราะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่สายการบินนี้ก็หมดไปละดังนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเจอสายการบินในตอนนี้เป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะตีตั๋วไปนิพานกันได้ังนั้นให้รีบตีตั๋วกันไม่ยอมจองกันเลยเนี่ยชอบไปจองตั๋วไปที่นูน่นไปเกาหลีไปญี่ปุ่นกงน ปัญญาภานไม่ยอมไม่ยอมตีตัวกันไม่ยอมจองกันหมดแล้วยังอีกสามอ่ะอีกสามอ่ะทุกอย่างล้อจบที่สามนะคบ ถ, ถามจากคุณวิภาพรณ์การตบยุงบามากไหมคะก็มันตายอ่ะ <laughs> ถ้าเขามาตบเราตายม้างเป็นไงคาถามจากคุณตุ๊ก เราไปใช้น้าไฟที่วัดแต่ไม่ได้ชำระหนี้ส่งที่วัดนั้นเราสามารถชำระหนี้ส่งที่วัดอื่นแทนได้ไหมคะหรือว่าต้องทำอย่างไรเราอาวักลมากเฮ้ยมันพูดง่ายไปยืมเงินคนนี้แล้วไปใช้อีกคนหนึ่งมันมันจะได้หรือใช่ไหมเช่นยืมเงินคนคนนี้แล้วก็พอมีเงินก็ไปใช้อีกคนหนึ่งใช่แลาคนที่เ็าให้ยืมเงินแล้วเขาจะได้เงินเกินหรือเปล่าเราไม่ได้หรอก เราใช้ของใครเราก็ต้องไปคืนเขาสิถ้าเราจะใช้หนี้สูงเราเป็นติดหนี้วัดไหนเราก็ต้องไปใช้ที่นี่วัดนั้นไม่ใช่ใช้ของที่นี่แล้วก็ไปใช้เอาเงินไปให้อีกวัดหนึ่งอมันก็ไม่ได้ใช้หนี้สูงคํำถามจากคุณนะัทพุทธวัจนะคํานี้ได้ยินบ่อยแต่ไม่ทราบความหมายคะอาจารย์โปรดชี้แนะหน่อยเจ้าค่ะวัจนะเป็นภาษาบาลีแปลว่ามาจากกับไปภาษาไทยเรียกว่าพจศพจนะ พจนาก็คือการพูดคําพูดของพระพุทธเจ้าพุทธพจน์พุทธวจนะก็คือคําพูดของพระพุทธเจ้าก็คือคําสอนที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยเรียกว่าพุทธวจนะนี่บางสํานักเขาก็บอกว่าต้องเอาคําสอนนี้มาล้วนๆจะสอนแบบวิธีอื่นไม่ได้อย่างสอนแบบเรานี่ไม่ได้แบบมั่วอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปอ้างคํำพิว่ามาจากบทนี้บทนี้ ถึงจะถูกเนี่ยเรียกว่าเป็นพุทธวจนะพุทธพจน์แต่เรานี่มันแบบไอ้แบบแบบไหนก็ไม่รู้ละพูดมั่วไปหมดเละไม่มีที่มาที่ไปก็ไม่ใช่เป็นพุทธวจนะแล้วเราจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ว่าคําตอบที่เขาเอามาจากพุทธวจนะเป็นของแท้หรือเปล่าเราก็ต้องไปเปิดดูจะก้าอ้างว่าจริงหรือเปล่าแล้วแล้วก็ต้องไปพิสูจน์อีกแล้วว่า คำสอนนั้นเราสามารถเอามาปฏิบัติทำให้เราได้ผลหรือเปล่าอีกบางทีมันเป็นพุทธภัจน์ก็จริงแต่มันมันแบบเป็นกลางๆไม่ลึกไม่ไม่กว้างไม่ละเอียดอ่านแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจแต่ถ้ามาได้ยินได้ฟังคนที่ได้ปฏิบัติได้เข้าใจก็สามารถมายกตัวอย่างให้ฟังอย่างเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างสายการบินไปนิพพานใช่ไหม ม, มีมีในพุทธวจนะไมไม่มีน แต่คนฟังฟังแล้วเข้าใจไหมอ่านั่นแหละเป้าหมายมันอยู่ที่ทําให้คนฟังแล้วเข้าใจแต่ถ้าพุทธวจนะอ่านแล้วไม่เข้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนีนี่คือความหมายทําไมครูบาอาจารย์ท่านถึงไม่ใช้พุทธวจนะเพียงอย่างเดียวท่านใช้บ้างท่านยกเข้ามาเช่นในวันนี้ยกคําว่าสามนี่ก็พุทธวจนะท่า น, นตายรักก็พุทธวจนะตายศีรษะก็พุทธวจนะ ท, จนะทั้งนั้นแต่แต่ว่าไม่พอพูดแล้วคนไม่เข้าใจ ต้องมาขยายความอีกทีให้มันเข้าใจเนี่ยเราเลยทางสายปฏิบัติสายวัดป่า ก, ก็เลยไม่ได้พุพทธวจนะล้วนๆพุทธวจนะผสมกับอผสมกับคําพูดของที่จากประสบะการณ์ที่ได้เรียนรู้มาที่เข้าใจมาอเลยข้อนใช่ไหมืม่หมดแนละ้ว ม, ม, มันเมื่อสามเมื่อกี้สามเลยเมื่อกี้สองใช่ไห ม, สา ม, ห ส, ามหสามแล้วเลย ถามแล้วก็พอแล้วนะอ่าอ่าคำถามคือการแก้กรรมหรือสะเดาะพอเนี่ยทำได้จริงหรอคะไม่ได้ทําไปแล้วมันก็ต้องส่งผลเหมือนฟางก้อนหินไปแล้วไปดึงมันกลับมาได้หรอเปลี่ยนใจว่าไม่อยากจะฟางเรื่องก้อนหินใส่บ้านก็เลยแต่เฟี่ยงไปแล้วเนี่ยเฟี้ยงไปแล้วมันก็ต้องไปตกที่บ้านเขาแล้วก็เกิดความเสียหายเจ้าของบ้านก็ลงมาจับเราไปชดใช้ค่าเสียหายต่อไปงั้นเราอะไรไปแล้วเราก็ต้องไปรับผล ที่เราทำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วทั้งบุญทั้งบาปเหมือนกันแต่เราสามารถที่จะไม่ทำกรรมใหม่ได้ถ้าเรารู้ว่าทำแล้วมันไม่ดีเป็นโทษเราก็อย่าไปทำเราไปกรรมใหม่ก็จะไม่มีโทษของกรรมใหม่ก็จะไม่มีหรือถ้าเราไปนิพพานได้เราก็ไม่ต้องรับผลของกรรมเก่าก็ได้อย่างอย่างองคุลิมานี้ฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบ้าคนพอไปถึงพระ น, นิพพานก็ไม่ต้องไปตกนรก ยังถ้าไม่ไม่ได้ไปนิพพานก็ต้องไปตกาตโลกอย่างแน่นอนค่าคนต้อง999คนยังถ้าอยากจะหนีกรรมกรรมตามไม่ทันก็ต้องไปนิพพานรีบตีตัวซะนะตีใ <c oughs> ส่สุกขาทานศีลภาวนานี่นเราเคยทำแท้งมามีผลกับครอบครัวทุกวันนี้ไหมคะที่อยู่อย่างมันก็อาจะมีบ้างอาจจะมีบ้า ง, าจจางแล้วแต่ไม่แน่นอนมัน เราไม่รู้หรอแต่มันกรรมในอดีตมันก็ย่อมมีผลกับเราในปัจจุบันก็อาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้เพราะเราไปทำอะไรไม่ดีมันก็จะทำให้เราไม่สบายใจยางก็อย่าไปทำบาปพยายามทำบุญแล้วจะมีความสุขแต่ถ้ามันทุกข์ก็ถือว่าต้องชดใช้กรรมไปก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็หมดมันไม่ได้ทุกข์ไปตลอด พยายามทำบุญให้มากมเดี๋ยวบุญมันก็จะมากลบความทุกข์ของเราได้เอาเลยนะา ก, กาิน อ, อ, อ่อากดแถมอีกสองสองคำถามดี๋ยวอยากจ ะ, อ, ะอยากจะทราบถึงเรื่องคําว่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะเจ้า ก, การรมนายเวรก็คือคนที่เราไปทําให้เขาเกลียดเราโกรธเราเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรของเราแต่ทีนี้คือมีอผู้รู้ท่านเคยบอกไว้ว่าการปฏิบัติวิปัส กรนาเวได้มากที่สุดไม่ได้หรอกเจ้ากรรมในเวรจะส่งให้เขาก็ต้องเจอเขาสิเจอเขาแล้วก็มีอะไรก็ให้เขาไปเขาโกรธเราเขาอยากจะได้มาจากเราเราก็ให้เขาไปเขาก็จะหายโกรธแต่ถ้าเขายังไม่ได้ตามมาถึงเราเราไปส่งที่ไหนเระเราไม่มีที่อยู่เขาหรือเปล่าก็อนุโมทนาบุญให้เขาได้ไม่ได้หรอกเขาไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราจะไปอนุโมทนาได้ไงต้องมาเจอกันเป็นคนที่จะมาตามข่าเราเย่างนี้ เราก็ถามว่าคุณอยากจะได้อะไรอยากจะฆ่าหรือเอา้าเราก็ปล่อยให้เขาฆ่าไป อ, อย่างพระโมกขลานะก็ปล่อยให้เขาฆ่าไปเป็นคำถามปิดทางค่ะคือคําว่าบรรลุแล้วก็นิพพานแล้วก็พระอรหันต์เนี่ยค่ะคือคืออันเดียวกันไหมบรรลุแปลว่าสําเร็จเนี่ยปฏิบัติไตรสิกายนี้เพื่อให้สําเร็จสําเร็จอะไรสําเร็จสําเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็คือคนที่ไม่มีกิเลส คนที่ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็เรียกว่าเป็นภาอาหารแล้วใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็เรียกว่านิพานเราใจยังอักบวนแล้วนะไม่มีแถนต่อนะก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทาน